สำหรับผู้เก็บอารมณ์ก็ค่อนข้างจะร่วมล้างลเหตุส่วนตัวัะนหน่อยต้าขออภัยเข้าไปด้อมๆมองๆตามงมุติไม่มีทางอื่นถ้าจะเป็นอังขอประตูวชชาไปเดี๋ยวจะรู้ตัวซะก่อนอ่องไปด้านหนําก็้านรู้ตัวนั้นทั้งนี้เพื่อจะให้เป็นความระมัดระวังขึ้นว่าเออมีคนอคอยดูอยู่นะจะทำอะไรผือไผมากเม่ได้ บางคนตอนเช้ากลับไปแล้วเตรียมนอนเก็บพลังเดินทีเลยนะกลับไปก็แล้วเลยปลุกตื่นกันมาการหลับเออความเคยชินของเราแต่ละคนเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันมี ก, กำลังนะข้าวแล้วมันหนักนุ่งทวงทับอืดอาดก็ถือกาสหยิบเส้นห น, สหน่อยเะไรพวกนี้คือความเคยชินแล้วก็อีกอันหนึ่ง เวลาเราเก็บอารมณ์เนี่ย่าได้กล่าวแล้วว่าในห้องที่เราจะเก็บอารมณ์่ะต้องเก็บทุกอย่างเข้าสู่ที่เก็บเหมือนกับห้องนั้นไม่มีอะไรเลยเนะี่ยจะดีที่สุดอมาไปดูทั้งหมดปรากฏว่ามีอยู่ห้องหนึ่งน่าประทับใจมากเขาเยี่ยมเปี่ยมสุกนะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนะมีแต่อาสนะอเดียวนอกนะั้นไม่มีอะไรเลยอ่าที่นอนเสือผ้าอะไรนี่ไม่เห็นผ้าเห็นตางไม่เห็นอะไรปูเลย ก็เรียกว่าเรียว่านักเก็บอารมณ์มืออาชีพของเรากันนะโว่าสามารถจัดสิ่งแวดล้องเ อ, อื้อต่อการปฏิบัติปรงหูปรุงตาแล้วใจมันก็รู้สึกสบายเนะี่ยมันไม่มีคืออย่าลืมว่าอุปทานของเราเนี่ยมันเข้มขน้นเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ตามที่จะไม่เชือ้อไม่มีเชือเ้อแหงการเพิ่มอุปทา น, เ, นเราต้องเอาเชื้อมันออกซะก่อนจะต้องดึงออกไปซะก่อน เพื่อมาให้มันเป็นที่เกาะเกี่ยวเหนิยวนำให้เกิดความยากอย่างใดอย่างหนึง่งนอกกนั้นก็ยังเป็นส่วนใหญ่ก็ยังเป็นนักเก็บอารมณ์มือใหม่อยู่ตรงที่ว่ายังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่สมมติว่าเราเป็นนักทำไร่ทำสวนหรือทำนานเนี่ยสิ่งแรกที่สุดก่อนที่เราจะ เพื่ชจะต้นไม้ปูกลงไปเนะี่ยเราจะต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นนะให้เรียบร้อยซะก่อนถ้าคือยังเป็นป่าเป็นรกเป็นพงเป็นน้าเป็นอบุเป็นป่าเป็นเคตเป็นไม้เป็นขอนอะเนี่ยมันจะปลูกลงไปมันจะลาบากนะเราต้องมาถากมาไถามาพาดมาเปียมาพวนให้มันเรียบร้อยแล้วค่อยปลูกต้นไม้ลงไปต้นไม้ยัมีโอกาสให้โตฉันใดก็ดีจิตของเราเหมือนกันถ้ามันรกรุงมลังไปด้วยสิ่ง สังขารเรืงภายนอกภายในถ้าสติพอรู้สึกตัวปลูกลงไปมันโตยากเพราะสิ่งเวรล้องคอยบีบคอยอัดมันมั น, ม, นมันโตยากอะ่ะนะเพราะฉะนั้นสี่นิดอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันมันเป็นประสบการณ์ใหม่ของเราแต่สหตว์ประมาณี้ได้ศึกษาเรื่องนี้มาตลอดชีวิตเนี่ยได้ได้เห็นแล้ว่าสติมันควรจะเจริญในบรรยากาศแบบไหน ถ้าเป็นนักปลูกพืชพืชสวนก็เรียกว่ารู้ว่าไอ้พืชประเภทเนี้มันต้องการอากาศดินแบบไหนอากาศแบบไหนปุ๋ยแบบไหนน้ําแบบไหนอะไรเนี่ยมันก็จะรู้อ่าเรียกว่ารู้นิสัยของพืชประเภทนั้นล่ะทีนี้ไอ้นิสัยของกิเลสหรือจิตของเราก็เามึนกันว่าไอ้เกรเมันชอบบรรยากาศแบบไหนธรรมะมันชอบอากาศแบบไหนเนี่ยเราเริ่มจากอะไรสถานที่มันมันเอือ้อนั้นถ้าเป็นชาวไร่ชาวสวนที่ ว่าทำนาน้อยไม่กี่ไร่กี่งานเนี่ยได้เข้าเยอะใช่ไหแต่อีกคนนึ่งทำนาตั้งหลายไร่ลหลายงานได้เข้านิดเดียวเนี่ยมันต่างกันตรงนี้ยเพราะาอยู่ที่การจัดสิ่งแวดล้อมบางคนตั้งใจทําจริงจังมากมายแต่ว่าประเมินผลอมมอกมานิดเดียวแต่บางคนทําไม่มากแต่ว่าได้ผลออกมาเยอะเพราะจัดสิ่งแวดล้อมดีสิ่งแวดล้อมมันช่วยเอือ้อ สิ่งเหล่านี้เราก็เห็นว่าจะเป็นนามาทำแล้วจะทําไงก็ได้มันไม่ใช่นะมันก็จะมีกฎมีกติกาของมันเหมือนกันนั่นนั่นเองเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะแต่ว่าเราจะให้ผลยังปลูกทําไรทํานาคุณจะปลูกไงก็ได้ถอนหญ้าหรือคุณจะไม่ถอนหญ้ากระได้คุณจะหวานหรือคุณจะดำคุณจะก็ว่าแต่ผลผลิตออกมานะมันต่างกันอาจารย์นันทเชิญคุณชัย เป็นนากดำนาแบบสมัยใหม่แบบฟูโฟกะไปสาธิตนะสาธิตการทำนาแบบไม่ปลูกไม่หวาดไม่ไม่วาน ไ, ไม่ไถแต่ทำนาได้ได้คิดไหมวัหลังจะมาเปิดให้ดูไม่ไม่ต้องไถด้ยก็แคอฟางมากลบนะมากลบที่เนายแล้วปล่อยน้ำใส่แล้วฟางมากลบ แล้วเม็ดข้าวที่มันติดฟางไปเนี่ยมันงอกขึ้นต้นมันจะแตกเป็นหลายๆมันจะแตกเป็นหลายๆต้นหลายกอนะซึ่งตอนแรกเขาก็บอกว่าไอ้คนนี้มันมันบ้านะมันมันทำงามไม่เป็นแต่รปรากฏปัจจุบันนี้แถวนั้นน่ะต้องมาดูนาแกนาแก่งามแล้วก็มีพวกไอ อะไรมะแมลงมีมดมีไส้เดือนอะไรมาอยู่เต็มไปหมดนะแล้วก็นาแกงามก่อเพิ่นข้าวเม็ดหึงมันออกตั้งหลายกออีกอันหนึ่งก็คือจะบอกว่าปลูกข้าวไปงามแล้วในหะญ้ามันขึ้นหญ้ามันขึ้นพอพอหญ้ามันขึ้คุมพอรอให้หญ้าออกดอกปั๊บมันตัดทิ้งทั้งหญ้าทั้งข้าวเลยเ อ, อชาวบ้านเขเห็นก็ตกใจอะไรไหมตัดทิ้งมันเพราะอะไร เพราะยอดเนี่ยถ้ามันออกดอกแล้วมันจะตายมันไม่ออกอีกแต่ข้าวเท่เมื่อทันออกรวงมันจะขึ้นงามกว่าเก่ามันถอดยอดงามกว่าเก่าเพราะอะไรเวลาเราไปปลูกข้าวเนี่ยเวลาก่อนจะปลูกเราตัดหางกล้าใช่ไหมแบบเดียวกันอันนี้ก็จุนมันยังเป็นตัวกล้าวอยู่เป็ตัดหางเันอที่มันขึ้นงามกว่าเก่าย่ามันขึ้นแต่ยอดที่ตัดลงกับไอข้าวที่ตัดลงอ่อนๆเนี่ยมันกลายมาเป็นปุ๋ยอีกข้าวม็นงามกว่าเดิมอีก เนี่ยเพราะฉะนั้นอธิษฐานในการปลูกชั้นใดก็ดีการเจริญสติเจริญสมาธิปัญญาก็เหมือนทนาํานาทนวบุญยักษตรกางโลกษัตร์เนื้อนาบุญของโลกคืออันเนี้ยคือการมาเจริญสติวิธีการปลูกนะโดยเฉพาะในพระสูตรว่าด้วยสูตรพีชกเกษตรเนะีนะ่ยนวันหลังจะมาสวดให้ดูแล้วก็มีวิเคราะห์ตามนั้นว่าไอศรัทธาของเราเป็นพื ัาความเพียรเป็นฝนนะปัญญาเป็นแอกและขันถ่านยะฮีดอีสามาโนเมตังนะฮีดิเป็นงอนถยใจเป็นเชือบสติเป็นผานและประดับนะัน่นเปรียบเอาไว้ทั้งหมดเลยในนั้นการเจริญสติก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรารู้จักเทคนิคอะไรต่างๆเนะี่ยมันจะมี เคล็ดลับมัต้องหาเจอด้วยตัวเองนะถ้ามาเอาวิธีการของธรรมะเทคนิคนั้นไปบอกเนะี่ยโยมอาจจะใช้ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เกิดจากประสบการณ์ของของโยมแต่โยมต้องหาเองหาวิธีที่จะให้มันคลิกขึ้นมาว่าให้มันรู้สึกตัวได้อย่างไรถ้าจะเอาตำตำลาหรือเท่าที่อาจารย์บอกแนะนําไปทําเนี่ยมันไม่พอหรอกอย่างพวกที่เขาเล่าโดยในบางทีเขาเรียนรู้มาจากศาสตร์นั้นศาสตร์นี้เนี่ยแต่ว่าเวลาเขาจะไป ดำเนินทำทองจริงเข้ากับได้พบในวิธีการเขาเองซึ่งมันไม่มีในตำร า, ลาและเขาก็ไม่ได้เรียนมาแต่มันเกิดการจับนู่นจับนี่จมันี่มันเกิดความพอดีขึ้นมาชั้นใดก็ดีในการเจริญสติต้องลองดูหลายๆแบบว่าทํางไงให้มันความรู้สึกตัวชัดความรู้สึกตัวบ่นผ่อนคลายเบาแล้วก็รู้สึกมันสัมผัสได้ซึ่งเราจะต้องหาวิธีหาเทคนิคเอาเอง บางครั้งมันไม่มีในตำราไม่มีที่ครูบาอาจารย์บอกซึ่งลักษณะนี้รียกว่าเป็นการใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ปัญญานะใช้โยนิสูมนสิกาในโยนิสูรมนสิกาละที่ต่ามาษาท่านนะเพราะฉะนั้นออกมาเองในเดินไปแต่ละก้าวเดินไปแต่ละขั้งมาไม่ได้เดินเฉยๆนะแต่พยายามมองหาใแง่มุมว่ามันจะรู้สึกไงเดินแบบนี้จะรู้สึกไงเดิน ยกตัวแบบนี้รู้สึกยังไงเดินหน้าเราเ็วช้ารู้สึกยังไงมันพยายามหาเทคนิคตรงตรงในการกระทําของเรานั่นแหละแล้วเราจะเริ่มเห็นแง่มเรื่อยๆแบบโอ้ทำยี้รู้สึกอย่างนี้ทายี้รู้สึกนี้ทํายี้รู้สึกนี้แล้วต่อไปมันก็จะได้ผลรวมออกมาโดยรวมออกมาแล้วก็วันหนึ่งเราเดินไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนก้าวใช่ไ ม, มันมีสักก้าวเลยหรือที่เราจะไม่ได้สกเกิด ไม่ได ล, ล่องลอยของความรู้สึกตัวเนี่ยแล้วก็นิวร์ต่างๆเดี๋ยวตัวนั่นมาเดี๋ยวตัวนี้มาเดี๋ยวคงม า, เ ด, ง า, มาเดี๋ยวเหงามาเดี๋ยวเบื่อมาเดี๋ยวเซ็งมาเดี๋ยวคิดมาเราจะไม่ทันมันสเฉยๆในการที่จะเห็นที่ไปที่มาของมันนะถ้าหากว่าเราไม่มีการวิเคราะห์ตัวเองอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยยากเหมือนกันนะดังนั้นเอามาว่าในนักศึกษาหนะ้าปฏิบัติของเราเอามาสืพาทําหลายๆอย่างเผื่อว่าอันใดอันหนึ่งที่มันจะไป เข้ากับในการปฏิบัติของเรามันเกิดคลิกขึ้นมาง่ายๆนะแล้วก็จะได้วิธีการปฏิบัติที่เราจะถือเป็นกุญแจของเราเองบางครั้งมันก็ไม่ได้มีในตําราในวิธีแก้แต่เราทดสอบทดลองเราเองซึ่งตอนนั้นที่ <c oughs> พระพุทธเจา้าไปสอบอารมณ์ให้ป้ามหาโาุคลานะที่ท่านไปเก็บอารมณ์คนเดียวใช่ไหมแต่ท่านง่วงง่วงทั้งหกห้าหกวันน่ะพุทธเจา้าท่านเสด็จไปบอกวิธีอุบายทั้งสิบอย่าง ถ้าไม่ได้อย่างนี้ให้เอาอย่างนี้ถ้าไม่ได้อย่างนี้เอ า, อานี้จนกระทั่งไปถึงวิธีสุดท้ายวิธีอะไรรู้ไหมวิธีนอน <c oughs> แม้แต่นอนก็ไม่ใช่นอนพุ่ลงไปต้องมีวิธีนอนด้วยนะ<ม>หาเทคนิคไปเรื่อยวิธีที่หนึ่งเท่าที่จําได้เด็ดดอกญดดหญ้าหรือใบไม้อะไรก็ได้มาปัาน่นหมูเล่นใช่ไหมหปลุกประสาทนะอ่าบอกว่ามันยังไม่ตื่นอบอกเอดูนุ่นมองดูท้องฟ้าโล่ง มองดูแต่ตะวันดูแสงสว่างดูเพ่งตาใสแสงตะวันดูไปไงมันยังไม่หายง่วงบอกดูรดน้ำไม้ไปดูยอดูนกดูหนูไปมันยังไม่หายง่วงอืไปล้างหน้าไปล้างหน้ามันยังไม่หายง่วงเอาไปเดินชมกลุ่มมันยังไม่หายง่วงเอาบทสวดอะไรก็ได้ขึ้นมาสวดดังๆกันแล้วก็บอกหาวิธีไปจนวิธีสุดท้าย แต่และวิธีพระมหาบุรุษ ก, ก็ทำตามทุกวิธีนะแต่ว่าไม่เจ็ตไปเจ็ตตอนไหนเจ็ตวิธีสุดท้ายตอนนอนน ะ, อะนอนลงก็แต่วิธีนอนไม่ได้นอนแบบปกติต้องนอนสีหาสายญาตเอาศีรษะวางบนแขนขวาแล้วก็ให้หลับแต่หลับหลับได้แต่ว่าดาตื่นให้ทุกทันทีนะเพราะงั้นให้ก็เริ่มหลับพอหลับไปพอเริ่มยิบหลับแล้วเป็นไง ท่านนี้มันไม่ได้ท่า น, นี่นอนปกติใช่ไหมเพรากลวแล้วหน้าประค่้มสับดินโปะลงไปอื่นพ่วงโพงขึ้นมาเลยนะแล้วเบิดเลยตัวอวิชชาแล้วเบิดทันทีท่านก็แตสรู้ในะอิริยบทแก่ง่วงแหละอิริยบทนอนสีห่ห้ยยาสยญาติเห็นไหมเพราะถ้าทดลองไปเลื่มันจะต้องทิ้งวิธีใดวิธีหนึ่งจะได้แหละนะแต่ให้เราอย่าเบื่อในการที่จะแก้ไขตัวเองอะไรแช่อยู่ตรยนะั้นไม่มีทางออกมั น, ม, นมันหมดมันหมดท่านะ ดังนั้นก็อยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษาเรื่องนี้นอย่างจริงจังนะคนนับวันที่คนรุ่นใหม่เขามาศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นถ้าเกิดเขามีความขยันหมั่นเพียรในการหาวาทยามากกว่าเราเนี่เข้าไปไกลกว่าเราอาทิตย์ที้เขามาถามเราปฏิบัติมา ก, กี่ปีแล้วปฏิบัติอย่างไรเนี่ยโอ้โหเราละอายเลยเนี่ยไอยผมปฏิบัติมาปีเสียผมก็รู้เรื่องไปเยอะเลยนะนี่คุณปฏิบัติมาแคสิปีคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหร อ, อนะโอ้โหเสียหน้านะเพราะฉะนั้นเราจะต้องํานาญ อุบายในการแก้ปัญหาเรื่องบริษัทด้วยหลายๆวิธีถ้าเราํานาญในการแก้ปัญหาบริษัทในเรื่องของกิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเราแล้วปัญหาและ่องบริษัทภายนอกไม่ต้องกลัวเลยนะมันเห็นหมดเลยเพราะอะไรเพราะนั้นมันยากมากแต่ปัญหาที่มันเกิดกับเราทุกวินาทีเนี่ยมันละเอียดอ่อนแต่เราสามารถเท่าทันรู้มันได้แก้มันได้ได้ปัญหาข้างนอกนานามนเกิดทีมันไม่ยากเลยเห็นเพราะคน รู้วิธีแก้โดยวิธีแก้่ง่าปัญหาข้างนอกเนะี่พราะอะไรปัญหาข้างในที่มาอยู่กับตัวเราแต่ลอดเวลาเรายัางตามรู้ตามเห็นมาได้นะังนั้นเองในธรรมะคาสอนพระเจ้าจึงเป็นระบบการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จนะแบบเบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่มีปัญหาค้างคาใจแก้ได้ทุเรื่องนะถ้าหาเราแก้เป็นนะแน่ดังนั้นเดี๋ยจากช่วงนี้ไปให้ไปนัํานชำระตัวทำำําความสุดสื่นแจ่มใสให้กับตัวเองแล้วก็ คนไหนเสร็จก่อนก็มานะมานั่งปฏิบัติรอเพื่อนไม่เสียเวลาไปนั่งคุยนั่งอะไรจะให้เสียเวลามานั่งปฏิบัติอยู่ที่นี้รอแล้วก็ถึงเวลาเราก็จะได้สัมมนาและรายงานอารกันต่อนะก็ขออนุโมทนาดอย่เง็กน้แล้วก็ถ้าพ้องกัน